จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17เจพฤศจิกายนพุทธศักราช5 5 0เป็นวันพระวันธรรมมัตสวนะวันฟังธรรมวันที่พุทธศาสนิกชนได้ มาวัดเพื่อมาชำระใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อความสุขและความเจริญเพราะใจก็เปรียบเหมือนกับร่างกายร่างกายก็ต้องมีการชำระมีการอาบน้ำอาบท่าอยู่ทุกวันไม่เะนั้นก็จะ รู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกไม่เจริญคนที่ไม่อาบน้ำหลายหลายวันไม่อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้กับใครเพราะเกรงจะไปสร้างความไม่น่ายินดีให้กับผู้อื่นฉันใดใจก็เป็นเหมือนกับกายที่ต้องมีการชำระอยู่เช่นกัน ถ้าใจไม่ได้รับการชำระก็จะเป็นที่ไม่ปรารถนาไม่น่ายินดีกับของบุคคลผู้อื่นเพราะว่าสิ่งที่สร้างความโศกโกรกสร้างความเปรอเปื่อนให้กับใจก็คือความโลภความโกรธและความหลงซึ่งถ้าไม่ได้รับการชำระ ก็จะสะสมให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ภายในจิตในใจแล้วจะทำให้บุคคล น, นั้นกลายเป็นบุคคลที่มีความโลภโมโทสันเป็นเป็นนิสัยเป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะ ใช้แต่ความโลภโมโทสันซึ่งไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะคนที่มีความโลภโมโทสันนี้เป็นคนที่เอาใจตัวเองและไม่เกรงใจผู้อื่นไม่ไม่คิดถึงหัวใจของผู้อื่นถ้าอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรก็จะพูดจะทำโดยไม่คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นการกระทาแต่ถ้าได้เข้าวัดมาอยู่เรื่อยๆได้มาทำการชำระความโลภโมโทสันคือความโลภความโกรธความหลงให้อยู่ในประมาณพอที่จะควบคุมดูแลได้บุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่ มีเหตุมีผลเป็นบุคคลที่ไม่เอาใจตนเป็นใหญ่จะทำอะไรก็จะพิจารณาอย่างรอบครอบถึงความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่นถ้าการกระทำหรือการพูดนั้นสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้อื่น ก็จะไม่พูดไม่กระทําเพราะจิตใจนั้นมีมีมีเหตุมีผลซึ่งเกิดจากการได้รับการชาระสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลคืออารมณ์ต่างๆคือความโลภความโกรธความหลงนี้นั่นเอง ดังนั้นเราจึงต้องมาวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ก้อหนึ่งครั้งเพื่อมาชำระใจของเราร่างกายของเราเราอย่างน้อยก็ต้องชำระกันวันละหนึ่งครั้งฉันใดใจของเราก็ต้องได้รับการชำระอย่างน้อยอาทิตย์ด้านหนึ่งครั้งเพราพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นวันที่ ยาบโยมได้มาชำระใจและกายวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าไม่ทรงบัญญัติไว้ก็จะไม่มีวันเวลาเพราะเมื่อใจถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ความโลภความโกรธความหลง ก, ก็จะถูกชักจูงไปให้ไปทำในสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นการชำระความโลภความโกรธความหลงนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงเห็นความสำคัญของการชำระจึงได้ทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาให้ญาติโยมได้ใช้เป็นวันที่มา ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงตลอดหวันที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกับความโลภความโกรธความหลงแต่วันนี้ขอวันหนึ่งขอมาต่อสู้มาต่อต้านมาคัดค้านความโลภความโกรธความหลงสักหนึ่งวันด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนี่คือวิธีที่จะชำระใจให้สะอาดเหมือนกับการชำระร่างกายที่เราต้องใช้น้ำใช้สบู่ฉันใดการชำระใจก็ต้องใช้การทำบุญให้ทานการรักษาศีลการ ฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าเราได้รับการชำระอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วใจของเราจะมีความสดชื่นมีความเบิกบานความเศร้าซ้อยงอยเหงาต่างๆจะไม่มามารุมเรา้าจิตใจถ้ามีก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่ชำระใจของตนเลย จึงขอให้เราเห็นความสําคัญของการชําระใจของเราเท่าๆกับการชําระร่างกายของเราด้วยการทําบุญให้ทานอย่างสม่ําเสมอเพราะการทําบุญให้ทานนี้จะเป็นการชําระความโลภให้เบาบางลงไปชําร ะ, ะความตะนี ความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไปทำให้เป็นใจที่มีความเมตตาการุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคือคำนึงถึงจิตใจของผู้อื่นไม่เพียงแต่คำนึงถึงจิตใจของตนเพราะเห็นว่า ใจของเราก็ดีหรือใจของผู้อื่นก็ดีนั้นก็เป็นใจเหมือนกันมีความปรารถนาความสุขเหมือนกันไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสอยู่ในฐานะที่พอที่จะให้ความสุขกับผู้อื่นได้ก็ไม่ควรที่จะดูดาย ไม่ควรที่จะปล่อยให้ผ่านไปเพราะการให้ความสุขกับผู้อื่นนี้เป็นการให้ความสุขกับตนเองด้วยเพราะว่าเวลาเราให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วใจของเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมาดังที่ญาติโยมวันนี้ได้มาให้ความสุขกับพระภิกษุสั ม, มเณร จิตใจของญาติโยมก็มีความรู้สึกสบายใจขึ้นนี่เป็นการชำระใจและเป็นการให้ความสุขกับใจและในขณะเดียวกันก็จำต้องมีการชำระการกระทาทางกายและวาจาออกด้วยการรักษาศีลศีลห้าหรือศีลแป แล้วแต่กรณีบางท่านรักษาศีลห้าอยู่ตลอดม า, มาตลอดหวันแล้ววันที่7ก็เลยขอรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อเป็นศีลแ8ส่วนท่านที่ยังไม่ได้รักษาศีลห้าได้ครบในวันนี้ก็จะตั้งใจรักษาให้ครบสักหนึ่งวัน อย่างนี้ก็จะเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเพราะใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องวุ่นวายกับการกระทําของตนที่เป็นโทษทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าเราทําผิดศีลแล้วใจของเราจะมีความรู้สึก ไม่สบายแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ใจของเราจะรู้สึกเย็นสบายไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวหรือหวาดกลัวกับผลของการกระทาเพราะรู้ว่าไม่ได้กระทาอะไรที่เป็นโทษที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งกับผู้อื่นและกับตนเองนั่นเองศีลนีแล่แหละที่เป็นเหตุที่จะทำให้เรา มีความร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้เราจะไม่มีเงินทองมากมายกายกองแต่ถ้าเรามีศีลเรามีสมบัติที่มีคุณค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองเข้าของต่างๆคนที่หาเงินหาทองมาด้วยการกระทำผิดศีลติดธรรมนั้นจิตใจจะไม่มีความสุขเท่า กับคนที่หาเงินหาทองด้วยความบริสุทธิ์ทางกายและทางวาจาจิตใจของเขาจะมีความสบายใจคนที่หาเงินหาทองมาด้วยวิธีที่ไม่ชอบช่อบโกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่ น, น, นจิตใจจะไม่มีความสุขถึงแม้จะมีเงิน ที่ซื้อความสุขต่างๆได้เช่นซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่อยากจะได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพียงแต่ปรากฏขึ้นในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้นแล้วก็จางหายไปต่างกับความสุขที่ได้รับจากการมีศีน จากการรักษาศีลเพราะทำให้จิตใจมีความเย็นมีความสบายไปเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะไปทำผิดศีลขึ้นมาถึงจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นจึงขอให้เราเห็นคุณค่าของศีลยิ่งกว่าปัจจัยเงินทองข้าวของต่างๆเพราะ กับจิตใจแล้วข้าวของเงินทองนี้ไม่มีความหมายอะไรไม่สามารถทำอะไรให้กับจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ <c oughs> เหมือนกับของที่ร่างกายรับประทานไม่ได้ <c oughs> เช่นวัตถุต่างๆนาฬกาสร้อยแหวนต่างๆเหล่านี้ ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับร่างกายเพราะร่างกายรับประทานเข้าไปไม่ได้ถ้ารับประทานเข้าไปก็จะเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายฉันใดเงินทองต่างๆที่เราแสวงหากันมาตลอดเวลาก็ไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตใจนอกจากจะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจ เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่เราเอาเข้าไปในร่างกายที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายฉันใดเงินทองเข้าของต่างๆก็เป็นพิษเป็นภัยกับใจเช่นเดียวกันเงินทองนี้จะมีประโยชน์ก็เพียงแต่เพื่อมาดูแลรักษาชีวิตอัต ภ, ภาพร่างกายให้อยู่ได้ คือให้มีปัจจัยสี่เช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มถ้ามีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเอาเงินที่เหลือจากการใช้กับปัจจัยสีน่นี้มาทำบุญให้ทานเพราะเมื่อเราทำบุญให้ทานแล้ว เงินนี้ก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นอาหารของใจโดยตรงถ้าเก็บเงินไว้เฉยๆเอาเงินมาทำให้เกิดความสุขในใจไม่ได้แต่กลับจะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับใจเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาจะต้องคอยกังวลคอยห่วงว่าจะอยู่ไปกับตน ตลอดไปหรือไม่กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเอาเงินก้อนนี้ที่เราห่วงเรากังวลที่เราต้องดูแลรักษาเอาไปทำประโยชน์เอาไปให้เอาไปทำความสุขให้กับผู้อื่นดังที่ท่านวันนี้ได้มากระทำกันภาระเกี่ยวกับการดูแลรักษา เงินทองก้อนนี้ก็ไม่มีนอกจากไม่มีภาระไม่มีความทุกข์ความกังลวลแล้วยังมีความสุขใจมีความอิ่มเปิกใจมีความพอใจที่ได้ทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นนั่นเองนี่คืออาหารของใจที่แท้จริงคือการ ช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นที่เรียกว่าบุญบุญคือการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นและกระทำไปโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดถ้าหวังผลตอบแทนหรือได้รับผลตอบแทนกลับมาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบุญ เพาเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นการซื้อขายก็จะไม่มีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจภูมิใจพอใจบุญนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราให้โดยที่เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับแต่ถ้าผู้รับมีความปรารถนาที่จะทำบุญในกะ เป็นการตอบแทนนั้นก็เป็นเรื่องของผู้รับแต่เราไม่ไปปรารถนาไม่ไปหวังไม่ไปต้องการแต่เมื่อเขามีความพอใจที่อยากจะทำบุญเป็นการตอบแทนเราก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียมารยาเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาเพื่อให้เขาได้บุญด้วย ต่างฝ่ายก็ต่างได้บุญกันเราก็ได้บุญ <st pegar> เขาก็ได้บุญอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เป็นการซื้อขายกันเพราะเราไม่ได้มีความปรารถนาอยู่ในใจของเราว่าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับเมื่อเรารักษาเมื่อเราทำบุญเราช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆแล้ว จิตใจของเราก็จะมีความเมตตามีความกรุณามีความสงสารไม่มีความคิดที่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะมีศีลขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปสมาทานศีลที่วัดก็ได้ถ้าเราทำบุญให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วใจของเราจะมีความเมตตา จะมีความการราาจะไม่ต้องการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเพราะใจนั้นมีความพอมีความอิ่มอยู่ในใจจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นต่างกับใจที่ไม่ได้ทำบุญให้ฐานใจที่ไม่ได้ทำบุญให้ฐานนี้จะเป็นใจที่มีความโลภ มีความตนยียมีความอยากได้สิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆและได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขมีความอิ่มมีความพอเพราะการได้มานี้ไม่ได้เป็นการให้อาหารกับใจแต่เป็นเหมือนกับให้ยาพิษกับใจให้สิ่งที่เป็นโทษกับใจเพราะเมื่อได้มาแล้ว ก็เกิดความโลภอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเช่นได้มาวะได้คืบก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วานี่เป็นความเปนธรรมชาติของความโลภของความอยากเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราได้ให้แล้วความโลภนี้ก็จะน้อยลงไปจากวาก็จะลดลงมาเหลือสอบจากสอบก็จะเหลือคืบ จากคืบก็จะเหลือนิ้วหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะใจได้รับการดูแลด้วยบุญด้วยการให้ทานนี่เองทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอจึงไม่จำเป็นที่อยากจะไปได้อะไรไม่ต้องการได้อะไรเมื่อไม่ต้องการได้อะไรก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นถ้าคนที่ยังมีความอยากอยู่ ถ้าไม่สามารถได้สิ่งที่ตนเองอยากได้ด้วยวิธีที่ชอบก็จะต้องไปทำในวิธีที่ไม่ชอบคือไปทำผิดศีลผิดธรรมนั่นเองดังนั้นการทำบุญให้ทานนี้จึงเป็นการประพฤติเป็นการกระทำที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตใจสู่ศีลและสู่ธรรมต่อไป ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าไปทำเพื่อหวังผลตอบแทนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถึงแม้มันจะมีผลของมันก็ตามก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเช่อนอนิสงส์การทำบุญให้ทานท่านก็แสดงไว้ว่าเมื่อเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มากมายแต่อันนี้เป็นเรื่องของของผลที่จะตามมาในอนาคตแต่สิ่งที่เราพึงพึงพึงได้ในปัจจุบันก็คือความสุขใจความอิ่มใจความพอใจและความภูมิใจและได้ความเมตตาการุณาที่จะทำให้เราได้พัฒนา ขึ้นไปอีกเก้าหนึ่งสู่การมีศีลนั่นเองเพราะถ้าเรามีจิตใจเมตตากรุณาแล้วการรักษาศีลนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรแต่ถ้าเรายังมีความโลภความอยากความต้องการอยู่เราก็จะรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่เราจะต้องรักษาศีลเพราะเวลาทาอยากจะได้อะไรก็พูดโกหกไม่ได้หลอกเขาไม่ได้ หรือจะทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำไม่ได้จึงเป็นสิ่งที่ลำบากต่อผู้ที่มีความอยากเพราะว่าไม่ได้ไม่ชอบทำบุญให้ทานนั่นเองแต่ถ้าเรามีศีลแล้วต่อไปใจของเราก็จะเห็นคุณค่าของศีลว่าเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสบาย อ, อกสบายใจ ไม่วุ่นวายใจก็เพราะเรามีศีลนี่เองเมื่อมีเห็นความเห็นผลของผลดีของของความสงบร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจก็จะทำให้ปรารถนามีมากยิ่งขึ้นไปอีกก็จะทำให้สนใจต่อการบำเพ็ญจิตตะภาวนาคือการทำสมาธิทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายวิธีต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันแล้วแต่จะถูกจริตกับแต่ละท่านแต่ละคนก็เลือกทำกันเอาเองส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก็จะใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อนหรือจะบริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพอใจ แต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดผลคือความสงบความนิ่งของจิตนั้นก็ต้องเกิดจากการมีสติคือไม่ว่าเราจะสวดมนต์ก็ดีหรือบริกรรมพุโทโธก็ดีดูลมหายใจเข้าออกก็ดีเราต้องให้มีสติอยู่กับการกระทำนั้นๆไม่ให้ใจเล็ดลอดออกไปคิดเรื่องต่างๆ ไม่ใช่สวดมนต์ไปก็คิดถึงงานที่จะทำคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถ้าอย่างนี้แล้วสวดไปนานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะใจจะไม่เป็นหนึ่งวิใจจะสงบได้ใจจะต้องเป็นหนึ่งวิธีที่จะสงบใจวิธีที่จะทำให้ใจเป็นหนึ่งก็ต้องอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าอยู่กับบทสวดมนต์ก็ให้อยู่ไปกับบทสวดมนต์อย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าอยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธอย่างเดียวถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูลมอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าเผลอไปคิดก็ต้องเดินกลับมาแล้วก็กลับมาดูลมใหม่มาบริกรรมพุทโธใหม่ มาสวดมนต์ใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกยากเพราะเป็นการชักกระเยอกันระหว่างสติและการเผลอสติถ้าสติมีแรงมากกว่าก็จะดึงจิตให้อยู่กับองค์ภาวนาได้ถ้าการเผลอสติมีแรงมากกว่าก็จะฉุดลากจิตให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดังนั้นเราจะต้องพยายามสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆและการสร้างสตินี้สามารถทำได้ตลอดเวลาในขณะที่เราตื่นนี้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราดึงจิตไว้ให้อยู่กับตัวเราให้ให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าให้ไปอยู่ที่อื่นคืออย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้มีสติอยู่กับ การนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราเดินก็ให้มีสติอยู่กับการเดินเราทำอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่กับการกระทำนั้นๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นเพราะไม่จำเป็นและไม่เกิดประโยชน์อะไรและจะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่มีหลักไม่มีไม่มีหลักไม่มีไม่มีสมาธิไม่สามารถตั้งมั่นได้จิตจะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆที่มา กระทบแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาพอมีความโลภมากระทบก็ถูกความโลภฉุดลากไปพอมีความโกรธมากระทบก็ถูกความโกรธฉุดลากไปให้ไปพูดให้ไปทำในสิ่งที่เสียหายตามมาแต่ถ้าใจมีหลักมีมีสมาธิแล้วเวลามีความโลภหรือความโกรธเกิดขึ้นมา จะไม่ไหลหรือลอยตามไปอย่างง่ายๆเพราะใจจะมีความหนักแน่นไม่เหมือนกับใจที่ไม่มีสมาธิจะเป็นใจที่เป็นเหมือนกับปุยนุ่นเบาเวลามีลมอารมณ์อะไรเบาๆมาสัมผัสก็จะไหลาตามไปได้และเวลาทําจิตให้สงบก็จะไม่สงบ เพราะจิตจะไม่อยู่กับองค์ภาวนาคือจะไม่อยู่กับลมหายใจไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับการสวดมนต์เราจึงต้องฝึกสร้างสติอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเวลาเราทําอะไรเตือนตัวเราอยู่เสมอว่าให้มีสตินะให้อยู่ที่นี่นะอย่าไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายก็ได้ให้อยู่กับการกระทําของเรา ก็ได้อยู่การพูดก็ได้อยู่กับความคิดก็ได้ให้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าเรามีสติเราจะรู้ถ้าเราไม่มีสตินี้เราไม่รู้เหมือนกับคนเมาเหล้าคนเมาเหล้านี้ไม่รู้ว่าตนเองคิดอะไรคิดดีคิดไม่ดีไม่รู้พอคิดไปแล้วก็ทำไปตามความคิดก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีตามไป และเมื่อหายเมาแล้วไปถามคนเมาดูว่าได้ทำอะไรไปบ้างเขาก็จะบอกว่าเขาจำไม่ได้เขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มีสตินั่นเองฉันไดพวกเราก็เช่นกันบางเวลาเราก็เผลอสติเราก็พูดเราก็ทำในสิ่งที่เรามาเสียใจภายหลังแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังคิดอะไร กำลังจะพูดอะไรและกำลังจะทำอะไรและเราจะสามารถควบคุมการกระทำของเราการพูดของเราและความคิดของเราได้จึงขอให้เราให้ความสำคัญต่อการตั้งสติอยู่เสมอพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาจะทำจิตใจให้สงบก็จะไม่ยากเย็นอะไรนั่ง พุโทโธเดียวเดียวจิตก็รวมลงสู่ความสงบได้ที่พวกเรานั่งกันมาเป็นปีนั่งกันเป็นชั่วโมงแต่ไม่เห็นผลเลยก็เพราะว่าสตินี้ไม่ไม่มีกำลังพอพอที่จะดึงจิตให้เป็นหนึ่งได้จิตวอกจิตจะสลับไปสลับมากับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้นี่คือการชาระใจเพื่อสร้างความสุข สร้างความเจริญให้กับใจดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้มาทําบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมและมาปฏิบัติถ้ามีเวลาอยู่ที่วัดต่อก็จะได้ปฏิบัติที่วัดแต่ถ้าไม่มีเวลากลับไปบ้านก็ปฏิบัติที่บ้านได้ทุกวันก่อนนอนและตอนเช้าหลังจากตื่นขึ้นมา ควรจะฝึกนั่งสมาธิควรจะสวดมนต์หรืกกำหนดดูลมหายใจเข้าออกถ้าได้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปจิตใจจะมีความล่มเย็นเป็นสุขจิตใจจะพร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่ตา่างๆจะมีพระคุ้มครองคือมีธรรมะคุ้มครองจิตใจให้พูดให้คิดดีพูดดีทำดี และจะไม่มีปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าจิตใจเพราะใจไม่ได้ไปวิ่งเข้าไปหาปัญหานั่นเองส่วนใหญ่ปัญหานั้นเขาไม่ได้มาหาเราเรามักจะวิ่งเข้าไปหาเขาด้วยการพูดด้วยการกระทำของเราแต่ถ้าเรามีสติมีธรรมะคอยเฝ้าดูแลจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราจะ